คณะลูกหลานทุกคนที่ตอนนเราได้ทาบขาวว่าถ้าจะบำรงเสริมไม่สบายเขาโงพยาบาในอุบลย้ยยงไม่ได้ความคิดไม่ดยูวิวไม่อ่านเยอะเลยโชิิลูก่แล้นย่ีเห้ยได่แก่กันไเด้ ลูกก็อยากจะทำดูหรื้จะทำอย่างไดก็ได้เพื่อสะดกคุ้ท่านไข่หายโดยเร็วๆได้สันดาหของทางนําจากลงอเมตตาแนะนาเพื่อไปกลารดูวัที่สานเสริมจุดกองลุงเปลาเปิดปลาไะไรครับท่าโันดีโจมานานแล้วมานานแล้เา้ยังไงฮอาจารย์ดงนี่ชวเดียว ท่นี้จะทานนุ่มท่านเรที่จะร้องเสือเวลห่วยป่วยขนานี้นะปล่อยตายนะต้อกรับด้วยปล่อยตาท่านนะลดไปจะร้อสือมีถ้าไม่ตายในห้ารอปีอยู่ได้ถ้าร้อยเหรอครับถ้าไม่ตายเนี่ยมีทีมเสยรือครับใช่ใช่แต่ไม่ลดไเป็อไเป็นไรครับก็ใหญ่ครานี้คราเดียวต่อไปไม่มีอ้ เราก็เจ้าหมาเมื่อเรื้อยที่แล้ววันตลองให้เจ้าเ็กตัวหมาล่าพักผ้าก่อนลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เรียนเรียนรอกตุลาวนี้อด้วยลูกเจ้าตัวหมาร่าในขณะที่เรียนเรียนนก็ว่าน้ตาของลูกไหลย้อมให้เอาไม่อยู่กระดุกกดเป็นอย่างมากพั้าที่ตอนนั้นไม่มีวีตรงกินติดอะไรเลยแต่ก็ปรหลาดใจอาการ่างนี้ได้เกิดขึ้น ลูกจยวามหลวงพ่ว่าไม่ตานพระเจ้าโพมหาได้ทาโตก้าอะไรหรือทให้รูก้ร้องห้ตามท่านเลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เนปาติปาตินะครับเจ้าของไม่รู้ว่าปีติเจ้าความยินเนปีติไอ้ก็ลุกเลิกถึหมู่ลับตาอ้ใช่ใช่ใช่ปีทีตัวที่สองเนี่ยคนพ่อเขาล้ยงเจ้าจำการไหลเรื่องการยกโตรือว่าเป็นรอรอบรุ่นเก่าด้วยกัน แต่น่า่าสืบขอเดกันก้าวู่เชื่อชาติไทยเป็นครั้งแรกเขจะเริ่มไม่มรรารออบเสนเป็น้อรัฐในราชบูรณาไม่ใชไม่ใช่ต้นต้นก็สาบทีกว่าจนไม่ใช่ามในหกสิบตาแหน่งกว่าราสุไิ้ไกกว่าแต่ว่าไม่มีสงครามมันมีสงครามสมัยไม่เจ่พังรราชเขาอดแอเดินไปใช่ไหมอนนี้ขวามดำมันก็กำเริ่ ที่จะยิดประเทศไล่คนไทยไปไล่ไปอยู่ที่เมืองทีทองเมืองที่ทรงได้ไปสายไอ้เจ้าเราเกิดมาถึงยีง่าสิบืองปีก็สั่งพ่บอกเรื่องสงบราการเตรียมขุดบ่อนัําเรียว่าราคาสิบมาล้อมเมืองใช่ไหมยจ่ได้มีน้ำกินเตรียมการรบกันที่ถ้าได้ช่างไกลก็ไกลามากแต่คนก็รุนครบ ต่อไปเราจะเขาก็สร้างบุญบารมีนนะันนะกตีหลกแรงเลยปวดปวดเจ้าตะคริษย์ตายขึ้นไปถึงเมืองเสียแสงเ้าเสลเ้ยตีใเมืองโผลิมันหนีมาทุงย่างพองทัพริ่งมาสาวมันต้องสั่งย่างมากินข้าวยาตัวกินข้าวสักทีนึองอกินข้าวทีแอีกแล้วไล่ตีต่อไปอีกสร้างบุญบารมีมาก ยังฉ you know, ันน่ะสาที่เป็น right ูกิษย์ก็จะภูม่ยมากเนยสามตาเนตับุ่นที่เคุอะไรป่วยามากันเลยใช่ใช่ใช่แสตมป์ปุ๊บต้องบคนที่ร้อไห้ก็คงมึงยกมืนในนั้นไม่ต้โละหุ่นแง่งที่นั่เนี่ยและนักมาต่อแฉก็แงกแง่หุ่่แง่จินหัเผือกหมันมาด้กันอันนี้ก็เลยอย่างมือไม่มีข้าวอกิน อินโฮเผื่อโฮกัน้องกระทะใหญ่ๆจีดกันมีอะไรระมาผสมจีนกันแล้วเขาเก็บสวยตรงคำตรงเลิศตรงคำารงสวยเขาไอเคี้ยวไก่ในคนไทยอยู่แค่ไหนจะลั่งเขาเก็บเขาไม่ได้เขาถ้าดิบเบินเบิร์นพวเราเหมือลไรตีไรฟันให้ความเจ็บใจของเด็กก็มีอยู่ใช่ไหมเพื่อจะสมรราเป็นแม่ภัพกางอาย่แค่ทิ่หกปีโอ้ยงงเที่ยวลยยังไม่ทันหนุ่มดี แต่ก็ดีเลยกีทันั้น่ะเาวสัาลายได้เมียเลยแม่แก้วหรอ่เขาแค่ผมได้เมียมต้องมีต้องมีอะไรนะใช่ใได้สอั้ ไม่เคยเจอช้เขาเลิกให้เองก็มีแค่อาจารย์เจ้าหนุนบอกว่าในเมื่อชึงศิษย์สัญนาลัยรอบเมืองเขาเขาไม่ยอมให้ผายเชตเราจะไล่ขอนขอเมืองอย่านี้ไปใช่หมชิงศิษย์สัญญาลัยเขาตั้งพักกันเลยไม่ยอมผายเชิดก็ต้องลบกัน ในเมื่อกำลังเราเรามากกว่าเขามื่อเขาเมื่อต่างๆคือทราบว่าเราไล่ของใช่ไหมถ้ามาคือก็เป็นนําังมากกว่าเขาในตั้งทหารรับคนเทือนใครเขาอามรบแต่ว่เขามีปืนลูกศรเราสอรก็บอกเราไม่มีที่ะหารเเมื่เขามาอาสาตีตายไปหลายคนจ้าเมือสอไม่ต้องตีล้อมแบบนี้ให้มข้าเองไปยอมเอง เห็นท่าหลายวันก็มีเรื่องพ่อครัวเหมือนกัแต่ผมนะเป็เอกไม่ใช่พยานท่านทราบว่าพระเจ้าเมืองกัลูาพระเจ้าเมืองเนี่ยเคยผู้กองมาตั่ก่อนใครบอกพระเจ้าเมืองยกลูกสาวพระเจ้าเมเนี่ยไปเรื่องครามเขาก็ยกให้พอยกให้แล้วพได้เจ้าเดียวใช่่้เจ้าเมืองได้มอเมียด้วยจะได้งเก็ได้อง ก็ดีเลยแ่ทม่ก็ซูซูขอพมอที่มอดีไหมทุมมกดีทุ่มมอมีจริงจังจำได้ฉันจำตนั้นฉันได้อันเร็วเร็วแล้วได้ก็ดำเร็วเท่าโคช้างที่ผมยังไม่ได้สอนตอนนั้ได้ป่วยตอนนี้มันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวมายหลายชาติ นำข้าเข้าไปตีอีกให้การสงครามในฆ่าสัตว์ตีตัวเห็นไหมต้องฆ่าวัวข้าควายข่าเลยข่าไก่เลี้ยงาหานีนมันเยอะแยะไอ้วาปี้มันมันมันเต็มมาตราของฉันเนี่ยจะช่างชไม่ได้แล้วแต่ก็เอาแค่นี้ก็บนตัวแล้วเอาแค่นี้มึงก็เอาไปให้กุลีข้านี่อ่ะไปหล อ, อกมันเลยไม่หลอกนีเยอะหยะ แค่น e ี้จะเอาไว้ก็เอาไปมีแบนี้ถูกต้องร่วมเลาแล้วอ๋อเรีอยใช่ใช่ใอางใช่กเอาเรื่อให้เครื่อให้เสริมเชื่อมมันอ้จิตใ้วดนะครับเช่ยก็รู้อยู่ใจฐากับมยตายายในเมื่อเราใช้ยจฐานกับมวตายายอย่จะทราบพันธีว่าปวดใครหรือใรเรื่องเกิดก็อะไรก็เช่ ตัวอย่งเขายกอ๊อดเราทำเขาอย่างนี้นเวลานี้เราดีโทษแค่นี้เลยเราฆ่าเขานะนับพันนะชุดนั้นนะแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตายถ้าต่อมากเกิดเกิดที่ร้ชาติแปลว่าคนไร้ชาติปัจจุบันตอนนี้ด่าทุกชาติสร้างบุญบาร ม, มีด่าทุกชาติตถ้าทรับคนนคนที่ตายไป ห, หรือป่อเลยแสน ไม่ใช่น่าที่ป่วยเบาป่วยถึงตายแกแข็งแก่ใจแขงนะนะแสดงลูกหลานัยเจ็บแค่หนวยนะแล้วก็เอ็มาฝากมาให้ดูตัวอย่างก็ถ้าเจ็บแค่ไหนป่วยเราคิดว่าเราค่าของกันมามากเรา่าประตูเพื่อป็นคนไนั้นเองก็มีมากที่แข็งเมืองเราค่าของมากเราก็มามาก มันทวมแค่นี้ช่างมันตะวันนี้ผานดีกว่ากลางแล้วกันกเข้าไปในพายรุ่นลาลตัอกอง่รู้างนตัวนตัวน้ามนี้ว้ตวนี้ตัวนี้ต้านี้ัวนี้วนี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรว้ตัว้ตว้ตัวนี้ตัวน้น้ั้วน้ตั้ต้ีตวนีตวตววว้น้ีวตต จะทำดี there there ีเปวันใหม่แล้วก็จะมีคนใจทของพ่อาทำดีเปิดป้ายไม่พาดหงพอเอ้ยวัเสาร์ที่เขาไม่ขึ้นบันใหม่เขาห้านะเาห้าอย่างนะมันเป็นวันแข็งเขาไม่ท่องอรบางคนประเทศนี้เนี่ยมันเรื่องกานบกเศษก็เลื่อนเาที่เดือนสุบก็ได้ดีใช่ใช่ใช่ จะไปทำไม่ดีอะไกคาอไหนกิกวัน้อเราโย้าเรไว้ว่าเาป่าแข็งตังโนทะเลาะไเลอยโอ้โหโท้ไม่ได้ความเร็วพาผูกเย็นต่ำใช่ใช่หายรักตัให้เปลี่ยนความูกให้เราเามากที่จะดือดร้อเอวันคุณรถตกนจะทำไม่ทันดิ้งดิ้งโอ ในขณะที่ลูกเดินก็ทำมานะดี๋ก่นวันนันเอาเงินจะดะนะครับจะดีขอซื้อของก็ไปซื้อของนะตามนะเอาเงินตามนะต้องเปล่งที่น้องใจนะไปใกล้พอแนะแาลืมนะแ เราพ่อจะนอนาวตูคืว่านอรู้นหลับกางวันแต่พอตื่นขึ้นมาลูกก็จะเริ่มภาวนาต่อแต่ว่าฝันก็ไม่ใถ่แต่ว่าอะไรก็ไม่เจอคือว่าอย่างนี้เห็นท่านหมอที่พบพอมาเราค่เป็นลิมิตอนี้มิติมิตของใครใช่ใ่ไม่ใช่ฝัรับเอใช่ภาวนา มันมาแนะนำว่าขอให้ลูกขอให้ลูกอย่าเดือนล้อต่อไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ขอบารมีลวงอพระข้าวตุ่มไม่เป็นีิรึ่งทุกอางจะเียบร้อยเพราะวัด้าวุมีบารมีมากลูกเห็นว่าลวงพ่อไม่สบายก็อยากกวนแต่ของท่านนี้ไม่ค่อดีเลยขอพระพาสเกิดเจ้าภาพเพื่อไม่วนหลวพอนะบางทีเขาไม่รบกวนลูขอ จะทางนั้นแต่อไปช่าถ้าจารยเรี่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใชีใช่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่บช่ใชทใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มี่ใ่ใช่ใช่ใชอใช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ จะเอาออกก็ไม่สบายใจจะไม่เอาออกก็ไมได้เพราจะต้องปรับปุงไหม่เรียนถามหาวงพว่าลูกคนจะทำอย่างไรเพื่อไมให้เกิดโทษถ้าตอบฝ่ายตรนนีฉันรู้แล้วะต่ข้างบนรู้แล้วเขาดูแลฉันไม่ดูเขามาคุยสั่งให้อง้ทุกคนตายเท่าไหร่เป็บอกว่าจะย้าย่าได้จุดโทษบอกก่อนให้บอกพวกเขิในสิันนะเขาเรื่องกันใช่ใช่ คุณเป็ไ้ม่อคือคุณื้อา่านเอ่อลูกปกติไม่โง่ฝันเลยแต่เ่มเมื่อเร็วๆนี้ฝันนิดเดียวดูว่าลูกถูาเนี่ยมันาหาลูกถ้าเอาืนี้ไปกหมอนลูกล้วเป่าาหาลือนพลูกมีความรู้สึกสนใจอย่างมาก แต่ที่จะถามก็คือว่ารูปตัวจจกปฏิบัติธรรมะกระต่ายจะไปทีข้อหกข้าไปขอให้มต่อไปหรือปล่ไอ้ที่ทำจะดีแล้วทำตาเดิมไม่ง้นจะเหม็นมาถึง้อดหรอกจะทำาทเอาเดิมไม่ได้ใช่ใช่ใช่หรอได้หลวงพ่อเ้องกาในขณะที่ลูกกำลังเจริญภาวนาหายใจเข้าหายใจออกแบบมนาปายู่ตั้ ราบกบรู้สึกเป็นราต่อไปนี้หนึ่งหน้ามืดหัวใจละวายคล้ายๆกับจะตายไม่ตายแตชั่วคู่เยวก็เกิดอารมณ์เป็นสมาธิไม่ใช่หวนนะฮะเห็นพระสีทอตัวใหญ่ทรงเครื่องแหวว่าเป็นประกายลึกมาที่หน้าบานของลูกเห็วลูกกอกวาพี่จะเดนไปนรอลูกก่อนแต่ว่าพระก็ไม่ยอมหันหันหน้าแล้วออกไปเลยลูก เป็นหัวข้อที่สืดข้าตันั้นเป็นอย่างมากชาวเชลยถามว่าเจ้ปฏิบัติธรรมะแบบไหนเป็นจากเป็นที่ผูชใจง่ายเข้าใจที่เรได้ได้ใหม่มาแล้วปฏิบัตการเดิมให้ที่จิตไปวไปให้จะเป็นลมเพราะว่าความที่แร่ลมยาบการกระเด้งถากันลมยาวให้ใจแรงๆทั้งห้าหกครั้งยาวๆนี่จะหันน เรแจกละลายลราอยากไปลงการยังนี้จะไม่แปลสดแต่เขเป็นชาลเนยอ้ยนางอย่างแต่ชาแช้างใช่แล้วท่นี่จะเกิดตายเขาเขาเป็นข้อดีมาช้าเลยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยกอโอ้ยโอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้้ย้อ้้ออย เมื่อมีทรนก็ปรากฏว่าตั้งได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วในใไม่ดีเกิดขึ้นเช่นทะเาะบาแว้เจ็ไข้เกิดปวยโภกรายเุกจิอะไรๆต่าเกิดอย่นี้กอย่างไม่หาหมอหลายคนว่าจะไปต่างๆนานาลูกตึงหลวงพอดีกว่าเพราะยังไงยังไงหลวงพ่อเมตตาลอยู่แล้วเออเป็นทีู่เลยปไทุกบายายวัดขสงกันออกไปไ้นก็แก้ปหาทีเราไหวาไวัดเยแล้วปาหมดไหมหมด เขาไปอยู่เขาตอบอย่นี้เืองาไปเลยนะเนียนอันนี้ดิจะคราบให้หาพระเอีพัยเขไปดูเ้ายกเจยาเวดาที่นั่นได้นะถ้าม่รู้ตัวาได้เอาจะล่นผ้แดงอะไรแดงลอ้นี่มีวานาในเรื่องนี้ไหมขนมมั่งเาต่ปาติดต่อเัวดามาได้เลยสามสิบปีแล้วนี่ไใช่ ตั้งไม่ได้ไปเชิญได้ตั้งมันต้องตั้งสาวุดลมบคนเลยคนแก่แล้วเชื่ให้ตงศาลพืพื่งเกิใไม่ใช่คืออุตมรัชช์ไทยครับเก่าีได้เลยรายลุกเหมืนไีได้ไมยเกี่ยวเรื่องราวเขาสูายไปแล้เกิดไปตัง ใจแต่คนนี้เด็ดขาดให้จะแบงอแล้วโอ้ัดนนะใช่ใ่่ใโอมารตาไม่ออกแสดงถ้าหลวงพ่อเราก็ผมึกามายได้แล้วมีความสัตายากจะหมดทีว่าภ้าโนถ้าเกวันแต่ีากจะเรียนถามหลว่าปวดแส้ตัวทาเดวันเอ่อหลวจเมตตาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไร ไม่ใคร่ข้อแต่เวลามัเป็นน้าก็เป็นหน้าก่อนนะมีววารเียเหรอใช่ก็มระเบียบเองไม่ก่อนคือแม้ว่าจะได้แล้วก็ต้องซ่อมกรอมถายก่อนแ้ึกสาระเบียบรไม่ก่อนแค่วันเดียวต้อาระเบียบเหมือนกันศึกษาระเบียบแต่โเคไว่ปมดแล้วไม่มีาว่าจะโซเอาเงินให้แล้วสิ เข่เล่าถึงรุทธเจ้าอป็นะอียเาว่าติยบริวารอย่าลืนะติพยาบริวาที่ท่านได้อยู่3มเดือนไอ้บาสินธมาทิปัญญาถ้ายังเอาดีไม่ได้ให้อยู่3มเดือนถ้ายังเอาดไม่ได้้อยู่3าเดือนเดือนสมวัน้เดือนไม่ได้ห้ามหมดเลยอนนี้งเราใช้ทีละให้สุภโยที่ธรรมอาทิปัญญาสำคตรนะ ได้ลิแล้วกอ่เาเได้ป็นใจแน่นอนเองาสมมติว่ารารอราคาเท่าไหร่ึสแพอดคดดที่ยัไม่ด้สิบตัวแล้วอนี้ก็ไม่ได้ผมมาไปไม่ได้วันนนไปได้ได้ครับจริงจริงราท้โ ก็เสือกถามาำทางแต่ที่จริงที่ว่าถ้าคุณไม่ตายได้เพามตาเราเบลียบที่ไม่ดีออกฟรีใช่ออกฟรีแล้จ่ายเช็คมงก่อนคุณวางมั่นใจในการหมุนใช่ใช่ใชไม่ปนที่นคุณให้ใครเห็นว่าตรงนี้คุณถามไม่มีที่แล้วเปล่คุณถามอะไรนะจะผมถามอะไรดีก่อนโอ้เลยลูกแบบนีนแง่ เรอลาเมียรู้ก่อนนะให้เมียรีบยกเอยเมียไม่รีบเอาอุจาร์ดูทอนโอ้เียวมาดูทนี่นะเฮ้ต่อไปท้ายอุจาร์เมียงม่ให้แต่ตอนเมียไม่อนุญาตให้ปวไม่ได้เลยปวดทอนปวดได้เอาอุจาร์ดูต่อจะมีเรื่องหรือว่าต้องก่ออะไรเป็นเมีย้างเขาไม่ยอมอะไรทีก็ตัวไปเลย เราก็ไม่เลิกมีเมียมีแต่ปัญญาดิที่ได้แก้ปัหาเรื่องนี้ได้าแค่ลอ่วดีนะบวช้างได้จะได้ปรยชน์มากหลวงพ่อถะามวชดีเลยที่บวีที่บวดบานนั้นหลวงพ่อจะขาตัวลูกลูกัวชดีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเออมีความเป็นอะไรหรืาอะไรมากสามอยู่ที่วัดไม่ได้จำไว้จะต้องเองเข้ามา ก็มีหลานตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าการพ่อว่าเนี่ยพ่อว่าปฏิบัติกรรมฐานลูกอดแต่หลวพอเรียกผู้ประการแต่ไม่ทราบว่าเรามีบาระในสมเหมือนจำถึงที่วัดอเป่าไม่มีอะไรที่เาไมห้ามจบ้านก็ได้ได้อจารย์กรรานี่เครื่อใช้ก็แล้กันมาด้วยกันมีสิทธิมาทิพยปัญญาทรงตใช้ได้เลยท่านบอการื่องทีโิรัสก็แ้วกั มันต้องถ้าบทที่ว่าถ้าชงต้องบทในเพลงถ้าเาซือรถยี่ห้อทีมามเป็นรถลาบาใส่ไม่ได้ไม่ได้ต้อบทในเพลงเดี๋ยวเข ยังมีอะรอย่างมีอะรออดยวเดี๋ยวาเขียนีเไม่หาไม่ฟังเลยนะเร้องนัเดี๋ยวต้อาเออเราก็จะหาคนอยู่ประมาณนี้ลู่ทางยังมาีสามเกี่ยวเรื่องประมาณนี้แกน้อยครอว่าอย่างนี้ ต่อมาท่ของลูกนี่จะได้แก่ต่อมาสอสามนาทีหลังจากน้นไปอารมณ์จะุ้แล้วก็ทุกครั้งเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สามารถจะแก้ไดุ้ณขอามีลงพ่อช่ยแก้เพื่อการด้วยไหวของลูกให้เจอรุ่งเรืองตต่อไปด้วยัเจ้าภาพแล้วสองนาทีพอแล้วสองนทีเหรอเกินเลยนะวันละสองนาทีตั้งสี่วันเท่าไหร่กวี่สินร้อยปีเท่าไหร่ ใช่พิธีที่เราสมาธิเราตัวาจวันาบาูุติเตยเพราะตัวเข้หาใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกนักเป็นหนึ่งเที่องสิบใั่ไหตั้งใจที่ว่าถ้ายังไม่ถึงสิบจิตนึกว่าน่ายเริ่มต้นใหม่เอาให้เจสิบได้พิธีสิบตอนนี้นะก็โลภะาม่ของมัดจีนเงาที่มันใช้ได้แล้วมัใช้ได้อยู่แล้วไอ้ ฮารีจาาีที่ารีาีผุดได้กอลารีโบุคคลใดทำจิให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งทุขณกิ่เป็นถ้าทางพเขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตใ้ว่าจักาสองนาทีนี้มันว่างจัดกิเลสนได้ได้อีเราไม่ได้าเ้างีรอยง อ่านคำที่หนึ Jungle. ่งหมดไม่เลยใครได้ใครได้หนาหน้าทุกสีสวยหน้าหน้าเลยยังพี่เดินแดนแค่เลยอ่านเลยอ้าวเขาถือต่อว่าไม่หด้เลยไม่ไดอ่านมันยืนละอ่านตัดเขแสดงควาโกตรงนี้ก็เลยอ่านคำพวกนี้โอ้ยไ้ใครได้นาหน้าทุกสีาด้วยฝ่าสามที่ท่าสอะไรนี่มกแปดวิญญาณหกึสงสัยว่า ถ้าสงสัยว่าคนที่จะบรรลุสอมอย่างตามที่หลวงพอว่านั้นตวทุกก็จะทำลุนนองในราตุนี้รุ้วนและอนิษานว่าเจ้าปูนถ้าทำเป็นลาห์นเทไหร่ขอให้ได้ปฏิปิพาสีิโมกป์แต่กิจยาหกอนิสายอ่นี้จะมีความสำเร็จในชาตปัจจุบันได้หรือไม่เจ้าคะเฉลยเข้าไปนะครับเข้าเฉลยนะคร ฉันไม่ใจแข็งลงตัวเนี่ยตายหมดนะลมฟ้าปรารถนาทำไมแล้วคุณพนุวิที่ให้ดีแล้วชอบยากยากความจริงแท่ที่ปฏิภาณได้ก็ตอนนั้นเลแยะแล้วจุจุดจุดหมยปทางแล้วยางได้ไปเห็นาเจยงยังได้ไปทำไม ไม่มีความหมายเลยแค่าหมที่จะเล้วก็บใค่ไปอย่างน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดใช่ไดไม่ได้ยังมีคนเบตาแบบนี้เลยอต่อไปตอต้งูเปนเจลยอะไรเลยลูกเอ้ยแล้วก็ยังามลูกโสดเกี่ยวกับเรื่องในที่ผาสอนว่า ผู้ที่จะเปนเทวดาได้ตอประกอบด้วยีบตป่าให้พวโกบาลแล้วต้องมาสงสัยตอนที่พญามาราพิลลาไปแน่พระพุทธเจ้าปุกบสิ้นปุากทุกประการคนที่จแน่ได้แล้วต้องมีอารณโกริจหายพยาพญามาไม่ได้จะเป็นเทวดาได้เลยเรื่องนี้ลูกสงสัยมานาแล้วขอคามสวานี้เข้าใจผิดแม่ก็ตอนมานานแล้วให้ส่วนพระ ลูกคนตัวใหญ่มั้งใ่ตัวเล็กรู้ดีตัวเล็กก็รู้ดีแต่ตองมพคอยคอต้อนเราตาอเคเรอยากยื้อเรื่องเลยอ้าต่ก็ย้อ่อนดเกิเนว่าท่านท่านอะไรท่านามอไรีม้าดล่าเนี่ยม้าลัชื่เดิมช่ข้าอไรตอนเย็นท่านไม่ได้โกรธติดแกล้งนะไม่ได้โกรธ ในความจริงหน้ามาเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าใช่เป็นสมัยพระเจ้าครูเราเป็นเพื่อนกันตอวมาในเมื่อพระรูปดิฉ้นจมาทำโมดิยาแล้วใช่มใช่คิดว่าในเมื่อพระเจ้าพระรูปนมาทำโมดิยาแล้วจะสอยคนปฏิพัน์หมดเวละที่ตัวเองปฏิพัน์ไมจะเป็นพรเจ้าจะหาฤทธิ์ไม่ได้โมฆเต่าตนฟันเต่าจอบนหน้าแลหน้าแล้วังดี ตายแล้วครับแล้วโอ้ยลุ่นแล้วนตอีลาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลิกตอนน้เราแหมนเ่งเราไมได้ตาคนไม่รู้แต่จะไม่รู้สิอ๋ออันนี้มอไปมงมามหือแหละไม่ไหวโ้ยอโาแล้วลาแล้ว่ไม่กยยนดีนะเาจริงจริงช่วยนะ เขาเรียกอุยาราธิาชใช่ใชเใช่แต่เราก็เรียกอะไรหลางพ่อเรียกอุยามาราธิราชหลวงแกลงเรียกเท้ามาลายก็มาลายนะเที่ยนี้อะไรีเท่ยเที่ยวนี้จะเท้ามาลายไปใหญ่ี้นีเอาแตเกาเลยเอาแต่เก่าอ๋อต้องหยิบเท้ามาลยนะเอาละนี้ผมจะใได้หลา ไมต้องออก า, ออออาก็เปหน้าี่ารผู้ตาตาเยน ะ, ะเป็นหน้าที่สอนในหน้าปินะปิดขอได้โปรดฟังฟังกจายสมยัยโดยว่านาัเทศวิโยนคุยไปนั่น เ, เสมอ อ, อ่านหนังสือแล้วไม่คิดเพาะธวดาด้่กดไปได้จต่เรา้อจดติแล้วไม่จา แล้เขาอหกกว่าอะไรยกโขนตรกันเลยป็นอาวีไม่มีข้อมีท่าไรนั่จะไมั้ยถ้าแลแต่เวลาเขาว่าถายด้วยเขไม่ได้ไปยกันจะไดน่ารักไม่โซลุสาวาสคนถ้าไปจัดเรียบร้อยก็ไปก็ไปแค่นี้อ่ะโอเคตอนมาได้หลับตาได้ยืนตา ไอ้ตอนที่ยกกาลังมาเนี <themselves> birth birth ่ไม่ใช่งกําลังใหญ่ไอ้ตัวมาคนเลี้ยงมันสะกิดข้างๆเริ่มตาเถอะอย่าไปไหนเลยไปลุยเสืเพื่ออะไร่ตณพระเจ้าจะรับผิดกว่าคุณเจ้าจไม่สนใจเริ่มตามาบอกตาเปมดูก่อนมันมันจะหลบไปซะนะจะอยู่กับสายพันธุ์จริงๆแค้นี้เองอค่นี้เอ ใจชายจะรถไอ้นั่น็นข้าขึ้นมาอเขากะว่าเระวาาใจหมดแล้วต่อที่ไปเราจะเป็นมิตรามาลยอพอท้ามาลยเป็นผยงได้เไม่้อย่างนั้นนรู้ว่าจะเข้ตัวอเดี๋ยวไปหนเร่งหวยท่านนี้เรขันดีนะตอนนี้ะครับนี่นจชอบใจ ชอบทัเลาะกันอะไรขาดเข้าทะเมีค้าวหนึ่งใช่ไหมท่เรานอกเวลาอะไรอะไรอะไที่เแค่สามสิบนทีก็เจงนะทุกวันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างใครไปใครมาก็ไม่มีเอ๊ะถึงสี่โมงเช้ามีคมก็หลบกลองมนวะตูระตูที่ออกไปที่มาแล้วเอ๊ฉันจาตรวมาแลวจะไม่เคไปเลยวะก็ไปหาท่าทุจริต ถ้าเธิดจริงๆใหม่ะมีเต่เกงไม่มีเสื้อลูกสามาถได้หรือไม่ได้